พอหลวงพ่อพูดเรื่องหลวงตาและหลวงศักดิ์ก็คิดขึ้นมาได้ว่าเออหนูเคยเพราะว่าพ่อเพราะพ่อหนูเมา่ก่อนก็คือ ก, ก็ก็ฟังฟังอยู่คะะ่ะถ้าพ่อมีเวลาก็ฟังเพราะเขาท่านเน้นด้านนี้โดยตรงใช่ไหมคะ ก, ก็ก็ฟังบ้างนะคะของท่านแต่ว่าบางทีเราอาจจะเคยได้ยินแล้วอะค่ะคือเคยได้ยินเรารู้อะแต่ว่ า, แ ต, วาแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจอะค่ะว่ามันเหมือนว่า เออตอนนั้นเรารู้นี่เราก็นึกว่าเรารู้แบบตัวรู้ปลอมเนาะเราก็แบบอย่างนั้นนะคะแบบโง่โงแบบเออเรารู้แล้วรู้ซื่อๆก็คือแบบตัวรู้ปลอมรู้ซื่อๆอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้าใจผิดหมดเลยอะคะ่ะเหมือนว่าเราเราเข้าหาเขาไม่ได้เข้าหาท่านไม่ได้ก็หนูก็หนูก็อธิษฐานนะคะว่าขอให้สักครั้งหนึ่งได้ได้ไปพบท่านยังไงก็ไม่รู้อะคะ่ะ คือขอให้ได้คุยกับท่านเข้าหาท่านให้ได้คือพอจะถามคำถามไปในแชทก็มีลูกศิษย์ท่านต่อคือคื อ, ค อ, คอยังไม่เคยได้คุยกับท่านเพราะยังไม่มีโชคดีขนาดนั้นอะไรหนูก็หนูคิดไปตามภาษาแบบลูกศิษยแบบแบบ์อะไรเงี้ยค่ะแต่แต่พอมาเจอหลวงพ่อเนี่ยค่ะหลวงพ่อออ―ดค่ะคือคืออยู่บน Youtube ซึ่งแบบพูดเหมือนกันเลยเป๊ะเหมือนแบบเป็นลูกศิษย์ท่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็แบบ โหเจอของดีแล้วพูดอย่างนี้ก็ขอโทษนะคะห น, หนูคิดอย่างนี้จริงจริงขออภัยถ้าแบบพูดภาษาผิดแต่แบบเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบรีบทักไปเลยค่ะว่าจะเข้าหาท่านยังไงอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ทราบว่าท่านจําได้ไหมว่าท่านก็ตอบมาเลยค่ะก็เหมือนแบบเจอผู้ที่สามารถเข้าหาได้โดยตรงและสามารถอธิบายสิ่งที่ดวงตาเขาท่านเขาลวงตาท่าน อยากอธิบายแต่เราอ่ะไม่เคยเข้าใจฟังแล้วฟังอีกฟันฟังเป็นปีเลยค่ะแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่เข้าใจเรารู้ยังไงอะไรพอมาฟังหลวงพ่อที่ในขับเขาอ่ะวันเดียว อ, อยังไม่เข้าใจครั้งที่สองฟังฟังแล้วแบบโอ้มันมันมั น, ม, นมันน่าคิดมากละแล้วทีนี้พอคุยกับพี่ออส ออขอโทษนะคะพอดีพูดผิดพี่จอมแล้วก็พี่จอมเขาอธิบายว่าให้รู้ยังไงอย่างละเอียดตอนนั้นเอ่อคุยหลังจากรับเขาอะ่ะแล้วก็แบบโหมันเหมือนแบบเก็ตเลยะคะ่ะว่าเออใช่เลยเราต้องทำตรงนี้ให้ได้ละเหมือนเราก็มีตัวตนตอนนั้นเราก็มีผู้การการกระทำอะคะ่ะแต่เราก็ต้อง ถ, ถ้าไม่ทำมันก็ไม่กล้าต่อไป แต่เราอย่างน้อยรู้รู้แนวทางว่าอ๋อนี่เองเหรอที่ที่เราต้องผ่ามตัวเองนี่เองเหรอที่หลวงตาท่านพูดมาตลอดแล้วเราแบบเข้าใจผิดนี่ค่ะก็เลยซาบซึ้งว่าเรามาเจอท่านที่ขาเพาที่เนี่ยมันเป็นบุญบา ร, รมีหรืออะไรก็ตามที่เราสะสมเนี่ยค่ะ ไม่งั้นเราก็จะรู้โง่ๆเหมือนที่เคยรู้แบบผู้รู้ปลอมไปแบบแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะเหมือนมันแค่ได้แค่ไหนแค่นั้นเลยอะ่ะแล้วก็ที่ที่หลงพ่อบอกว่าหนูหนูอะทําผิดแล้วหนูอาจจะเมียตาเอ่อในการที่เอ่อยอมรับว่าอันนั้นไม่ตรงนั้นหนูจะขอบอกเลยว่า หนูจะยอมรับในสิ่งที่ไม่เห็นหรือไม่ น, นั่นเพราะว่าหนูอยากจะเรียนรู้อะคะ่ะถึงแม้เราไม่เห็นเราก็จะไม่เราจะไม่บอกว่าเราเห็นเพราะว่าเราอะจะเสียประโยชน์ตรงนั้นก็ยังมีเราอยู่แต่ก็พูด <c oughs> ถึงว่าเหมือนว่าเราจะขาดความรู้ไปถ้าเราเป็นตัวที่เหมือนแบบรู้ไปหมดแล้วอะมันก็จะเป็นผู้ที่โง่อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราจะฟังฟังฟังอาจารย์ให้มากที่สุดอะคะ่ะ อาจารย์ที่พบแต่ละท่านนะ่ะเป็นสิ่งที่มีเออเป็นบุคคลที่มีความหมายคําพูดแต่ละคําของหลวงพ่อหน้าตอนนี้หรือเมื่อวานหนูหนูตั้งใจฟังอ่ะคะ่ะเพราะว่าคําพูดเหล่านั้นแหละที่หนูเห็นอีกวันหนึ่งเลยอะคะ่ะแล้วระลึกได้ว่าท่านพูดคํานี้นะท่านพูดว่ามันจะเห็นรวมๆนะเหมือนว่าดูทีวีหนูยังจําได้เลยเมื่อวานว่าท่านท่านได้อ่อ ให้ตัวอย่างดูทีวีค่ะว่าคนดูทีวีอยู่เมื่อก่อนเราก็ไม่เห็นตัวคนนั้นแต่แต่แ ต, ตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราจะบอกว่าใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูจิตซ้อนจิตเป็นคนดูผู้รู้อีกตัวหนึ่งนะมันไม่ใช่มันคนละดวงกันนะรู้ไปหมดตรงนั้นอนะเรื่องจิตอะคะ่ะแต่ตอนนี้ถ้าถามว่าใครเป็นคนดูทีวีเราจะไม่ตอบเด็ดขาดเลยว่าจิตมันไม่ตอบอย่างนั้นแล้วมมันมันอาจจะตอบว่าเรา หรือว่าไม่รู้ว่าใครรู้แต่ว่าคําว่าจิตมันจะไม่ตอบอีกเลยอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากเมื่อก่อนแล้วตอนนี้คำตอบก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะแล้วตอนที Explain, อนทออ่อธิบายอยู่ตรงเนี้ยค่ะมันมันอาจจะไม่เห็นว่ากำลังมีออมีตัวเราอะคะ่ะอาจจะอาจจะยังไม่คล่องขนาดนั้นแต่ แต่ตอนที่ถามว่าคําชี้แนะก็มีตัวเรานะคะเพราะว่าเพราะว่าเราอะอยากจะได้อะไรสักอย่างมีตัวเราอะค่ะมีแต่แต่ตอนนั้นเห็นไม่ทันอ่ะค่ะเห็นไม่ทันค่ะอ่ายอมรับค่ะก็ดีมากนะตรงที่ถามนี่แหละเห็นไหมตรงที่ถามตที่หลงพ่ออธิบายนะบอกว่าหลวงพ่อมีอะไรแนะนําหนูไหมอะไรประมาณเนี้ยนะ ตรงนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าหลวงพ่อเหมือนกับว่าเป็นการทักท้วงเป็นการชี้บอกว่าคือก่อนหน้านี้เราพูดถึงความไม่มีตัวเราเนาะเราพูดโอเคเข้าใจแล้วละ่ะแต่ไอความตัวเนี้ยมันก็ยังหลงยังมีอยู่ไงก็เลยมาพูดแสดงออกถึงว่าเออหลวงพ่อจะมีอะไรแนะนําหนูไหมแล้วตรงนี้พอหลวงพ่ออธิบายเห็นไหมทุกคนเข้าใจได้เนี่ยว่าใช่ถ้าตัวเราไม่มีจริงๆแล้วจะไปขอทําไมใช่ไหมเออจะไปขอความรู้ทําไม เพราะนั้นการที่มาขอแสดงว่ามันมีแต่หลวงพ่อเป็นคนชี้บอกว่านี่ไงไอตัวนี้แหละเป็นอวิชาซึ่งรู้เองได้ยากแต่พอหลวงพ่อชี้บอกปับ๊บโอ้เกิดประโยชน์ทั้งตัวผู้ถามเนาะว่าโอ้มันละเอียดขนาดนี้โอ้โหนี่ชัดเจนเลยพอหลวงพ่อชี้บอกมันชัดเจนจริงๆและคนอื่นเนี่ยได้รับประโยชน์หมดเลยนะคนอื่นได้รับประโยชน์หมดเลยว่าโอ้ไอแค่นี้เหรอเล็กที่ว่ามันมีอัตตาตัวตนอยู่ ใช่นี่แหละนี่มันแสดงออกเพราะว่าการที่จะพ้นความเป็นอัตตาตัวตนเนาะคือต้องรู้นี่แหละถ้าไม่รู้มันจะพ้นได้ยังไงใช่ไหมมันจะต้องมีปรากฏขึ้นมาให้รู้ก่อนเมื่อรู้แล้วก็จะเห็นว่าไอ้นั้นอนะมันเป็นแค่สังขารเห็นไหมพอมันเข้าใจด้วยปัญญาว่าไอ้ที่ถามเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นแค่สังขารแล้วก็อ๋อดับไปแล้วเห็นไหมความเป็นอัตตาตัวตนก็สลายหายไปอืม มีประโยชน์มากมนะคําเด็ดตรงนี้แล้วหลวงพ่อพูดไปพูดไปมันก็อยู่ๆมันก็นึกระลึกขึ้นได้มาเองก็โอ้ตรงนี้มันเป็นเป็นชี้จุดสําคัญเนาะเพื่อให้เห็นในสิ่งที่เห็นได้ยากแต่ที่นี้อย่างที่หลวงพ่อบอกคนที่มีอาตตาสูงเนี่ยเห็นไม่ได้นะตรงนี้เห็นไม่ได้เลยเห็นไม่ได้เด็ดขาดนะแล้วก็จะเถียงอย่างที่หลวงพ่อเล่าอนะ่ะจะย้อนจะแย้งหลวงพ่อเหมือนอุปมาเหมือนกับว่ า, วาคนเนี้ย พอเราพูดอะไรไปปั๊บมันชักดาบชักอาวุธเลยมันฟันเราลูกเดียวแล้วตอนเนี้ไม่ฟังเสียงกึกฟันฟฟทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าอาธิบายต่อนี่ยหมดสิทธิ์แล้วคนประเภทนี้หมดสิทธิ์เพราะว่าเขาถืออาวุธอยู่ในมือแล้วก็ไม่ฟังเรา ล, ล้วเราก็ต้องต้องหยุดแต่ว่าถ้าเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเราก็ต้องพูดไปเพราะว่ายัางมีคนอื่นที่เขาเข้าใจอยู่เราก็ต้องพูดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะแล้วก็ คนที่มีมาณะอัตตาสูงก็ยังเถียงอยู่นั่นแหละเถียงเียงเอาอะไรมาสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้นู่นสารพัด ส, ส, ส, สารพันก็ไม่เห็นอีกว่าตัวเองอะ่ะมีตัวเองแล้วก็ไป <c oughs> ไปยึดถือพระพุทธเจ้าเห็นไ้ยไปยึดถือตําลามีตัวเราเป็นผู้ยึดหมดเลยคือเห็นได้ยากแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนเราเนาะมันมีสติปัญญามันไม่เท่ากันอยู่แล้วลนะ่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่สามารถที่จะไปโปรดนะไปโปรดใครได้ทุกคนนะ ท่านก็โปรดคนที่พร้อมคนที่พร้อมมากกว่าเนี่ยโปรดตรงนี้ก่อนเห็นไหมบัวพร้อมบานเนี่ยท่านก็โปรดก่อนถ้าที่อยู่ใต้คโคลนใต้ตูมโนอนุนก็ไว้ที่หลังก่อนประมาณนี้นนนะอก็อนุโมทนากับโยมนะเพราะว่าโยมมีการพัฒนาได้เร็วมากเนาะได้เร็วจริงๆนะก็ต้องทีเนี้ยที่เหลือในชีวิตที่ยังไม่ตายเนี่ยก็สนใจในเรื่องเนี้ยการงานอย่างอื่นก็ทําเป็นปกติ แต่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี่แหละมันจะเป็นเป็นตัวเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดการระลึกได้ขึ้นมาเองอย่างอัตโนมัตินะระลึกได้คือรู้ตัวเรารู้ทั้งตัวรู้รวมๆ ร, รู้แล้วมันก็ดับคือตัวเราเพราะว่าตัวเราเมื่อตัวเราดับแล้วเนาะตัวเราก็ไม่ได้เป็นผู้ดูอะไรแล้วนี่ไม่ได้เป็นผู้จ้องอะไรแล้วเพราะว่ามันผู้ดูผู้จ้องถูกทําลายเรียบร้อยหลวงพ่ออุปมาเพื่อให้เห็นภาพเนาะ สมมุติว่าเร า, ก ำ, ก, า ก, กำลังมีทุกข์คิดมากกำลังมีทุกข์คิดมากแล้วก็เดินด้วยความเมื่อใจลอยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าขาดสติขาดสัมพันธัญญาขาดความรู้เนื้อรู้ตัวหลงนะหลงคิดแล้วก็เข้าไปอยู่ในความคิดจนกระทั้งว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์มากๆแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าระหว่างที่เดินตรงนั้นน่มี เพราะเดินริมถนนเนาะเดินใจลอยริมถนนแล้วมีเสียงรถกดแจก็ได้หรือรถชนตูมนะชนแบบมีเสียงดังเนาะก็จะเกิดการจิตตื่นรู้ขึ้นมาคือจิตเนี่ยคือมันวางจิตเนี่ยมันวางไอ้ไอเหตุการณ์ความคิดอ่ะเนาะเออตอนที่ใจลอยอะตอนนั้นอะ่ะมันไม่รู้จิตไม่ตื่นแต่พอมีเสียงรถชนที่อยู่ใกล้ตัวโครมขึ้นมาปับ๊บ จิตก็เกิดการตื่นรับรู้ขึ้นมาพอมันรับรู้ขึ้นมาปั๊บมันก็ทิ้งทิ้งอารมณ์เก่าโดยอัตโนมัติทิ้งแบบไม่มีผู้ทิ้งอะอารมณ์เก่าความทุกข์ความคิดถูกตัดทิ้งหมดเลยโดยไม่มีผู้ผู้ทิ้งไม่มีผู้ปล่อยไม่มีผู้วางคือมันเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติเพราะมันตื่นรู้กับเสียงที่ดังเนาะแต่จริงๆขณะตื่นรู้ตรงนั้นอะถ้าว่าดีๆนะมันก็รู้ตัวเราด้วยนะมันจะรู้ตัวเราว่าเมื่อกี้เนี่ย ตัวเราเนี่ยหลงคิดเพราะมันเห็นความดับไปของความคิดความทุกเนี่ยเห็นความดับเนาะแล้วก็รู้จักตัวเราคือมันตรงนั้นแหะคือกระบวนการของธรรมชาติเนี่ยมันมีหมดแหละเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเจ้าตัวเนี่ยเขารู้ไม่ทันเขาเห็นไม่ทันก็เลยเหมือนกับว่ามันมันข้ามขั้นไปแต่จริงๆอ่ะจะรู้ถึงความความความดับของความทุกความดับของความคิดแล้วก็รู้ว่าตรงนั้นหมดแล้วแล้วก็ไม่มีความรู้ใหม่คือเสียงพอเสียง รับรู้เสียงปั๊บจิตก็ามาตื่นรับรู้เสียงรับรู้ตัวเองนะตัวเองตกใจหรือไม่ตกใจตัวเองกระโดดมันก็รู้หมดแหละนะตัวเองเช่นพอเสียงดังโครมปับ๊บตัวเองอาจจะหันใช้หันขวามันก็รู้หมดแหละนะเนาะรู้ตัวเราหมดเลยซึ่งทุกอย่างเป็นการทํางานของธรรมชาติหมดเลยโดยไรย้นะไร้ตัวเราที่เป็นผู้เจตนาจงใจที่จะกระทําอะไรทักอย่างไม่มี จะมีเจตนาที่จะปล่อ ย, อยวางทุกข์ก็ไม่มีจะเจตนาที่จะไปดับความคิดก็ไม่มีจะเจตนาที่จะรู้ตัวว่าตัวกำลังตกใจกำลังก็ไม่มีเนาะแล้วก็จะเจตนาที่จะฟังเสียงโครมอะไรไม่มีมีแต่ความไม่มีแต่มันมีมันมีสิ่งที่เกิดเองเป็นเช่นนั้นเองเพราะนั้นที่เราปฏิบัติธรรมทั้งหลายในยส่วนมากที่ทำไมไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงเพราะว่ามันเอาตัวเราไปรู้เอาตัวเราไปทํา เอาตัวเราไปไปคิดไปเพื่อให้เข้าใจไงตัวนี้มันจึงเป็นตัวบังตัวบังความจริงนะมันบังหมดแต่ทีนี้ถ้าผู้ที่เฉลียวใจหรือว่ามีปัญญาเนี่ยก็ต้องรู้จักมองเปรียบเทียบระหว่างการที่เจตนาจงใจกับที่มันเป็นเองนะถ้าเราเปรียบเทียบเราจะรู้ความแตกต่างระหว่างการจงใจเนี่ยนะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันมีน้ําหนักแล้วมันเครียดมันอะไรไม่รู้ แต่ถ้าไม่จงใจไม่เจตนาไม่อะไรแต่การรับรู้มันก็มีอยู่นะอันนั้นแหละเป็นความที่ว่างเปล่าเป็นความที่แบบเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะคือมันจะมีสติปัญญาที่จะสามารถเห็นว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยขณะจิตเดียวมันก็ผ่านแล้วขณะจิตเดียวมันก็ผ่านแล้วแล้วเนี่ยชีวิตที่ยังไม่ตายนะมันมีแต่ปรากฏแล้วก็ผ่านผ่านผ่าน ผ่านอย่างไม่มีผู้ต้องทําให้ผ่านมันผ่านด้วยตัวมันเองอ่ะด้วยธรรมชาติเองเนาะการเกิดก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองหมดมันเป็นเช่นนั้นแต่คนเราอย่างว่ามันก็มีกิเลสเนาะเวลาปฏิบัติธรรมก็อยากรู้อยากเห็นแล้วก็คําสอนนะคำสอนซึ่งมันเป็นภาษาพูดไงเช่นบอกให้ดูจิตนะดูจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตอันนี้มันเป็นภาษาพูดเพราะมันก็ต้องพูดแต่เวลาเมื่อได้ยินแล้วเนี่ยมันก็ต้อเอาตัวเราไปทําไง โ อ, อ้ตัวเราไปทำไปทำไปทำสุดท้ายมันก็ไปบังหมดเลยไปบังความจริงแต่มันก็ต้องทำอะ่ะเพราะว่ารู้ความไม่รู้เนาะมันต้องทำอย่างที่เคยทำอะ่ะแต่ว่าเมื่อถ้ามีโอกาสนะก็เรียกว่ามีบุญวาสนาได้รับฟังคาคบอกจากผู้รู้ก็สามารถที่จะผ่านความการกระทำแบบนั้นนะความหลงผิดอะไรเนี่ยมันก็ผ่านได้ง่ายผ่านได้ง่ายก็กลายเป็นว่าการ เมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วเนี่ยในชีวิตประจําวันมันก็มีสองอย่างนั่นแหละคือมีตัวเราเป็นผู้กระทํากับไม่มีตัวเราเป็นผู้กระทํามันยังคู่อยู่นะเช่นการเจตนาจงใจมันยังมีอยู่แต่สิ่งที่พัฒนาก็คือให้รู้ตัวเราว่าเมื่อเราจงใจอะไรเจตนาตัวเราจงใจอะไรตัวพยายามจะทําอะไรเนี่ยการจงใจการพยายามการเจตนาพวกเนี้ยก็รู้ทันรู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็จะเข้าใจด้วยปัญญาว่า มันก็คือสังขารใช่หตัวเจตานาก็สังขารตัวจงใจก็ตัวสังขารตัวพยายามก็คือตัวสังขารแม้กระทั่งโยนิโสมณสิการก็เป็นตัวสังขารตัวสังเกตก็เป็นตัวสังขารหมดก็รู้รอบอย่างเนี้ยสุดท้ายมันก็เข้าใจเรื่องสังขาร น, นะก็เรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญานะเมื่อรอบรู้แต่การรอบรู้ก็ไม่ใช่เรารอบรู้เนาะเป็นเรื่องของธรรมชาติรู้ที่มันรู้รอบมันรอบรู้ แล้วก็ก็แค่รู้แค่รู้ไปวันนี้ก็ให้ธรรมะเด็ดๆดมากๆเลยนะก็รับไปพิจารณาดูแต่สุดท้ายก็ไม่มีตัวเราต้องได้อะไรไม่มีตัวเราต้องเสียอะไรก็ไผลเลาะยิงครับที่หลวงพ่อได้เมตตาในส่วนของสิ่งที่วันนี้ที่เป็นรายละเอียดย่อยๆถึงขนาดที่บางครั้งนี่ครับผู้ถามผู้สนทนาเองบางทีก็ มีการเผอเพลินโดยเฉพาะประเด็นที่น้องนิดพูดถึงว่าเออขอความเมตตาหลวงพ่อได้ชี้แนะนะ่ครับมันเป็นละเอียดมากนะครับว่าเป็นเราที่ต้องการซึ่งตรงนี้นะครับออพวกที่เราพวกที่เรียนอริยธรรมนั้นเขาก็บอกว่าเออลักษณะโลภะแบบนี้มันละยากจริงๆมันมันเป็นเหตุ ที่เหมือนกับเพื่อนสองเลยครับเป็นทั้งอาจารย์ทั้งศิทธิ์และโลภะนี่ครับมันมันเนียนครับมันซ่อนเลนส์เหลือเกินแต่วันนี้ที่หลวงพ่อเมตตานี้ทําให้เราเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะอวิชชาทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ฟากฝั่งของสังขารนีนั้นมันทําให้เรานั้นแต่ก่อนเราก็มีความกังวลใจหรือมีความรู้สึกว่า เมื่อไรมันจะพ้นจากทุกข์หน้ามันยากเหลือเกินเพราะโลภะนี่มันมันเนียนมากมันลึกซึ้งมันเป็นอาจารย์ด้วยมันเป็นคนรับใช้ด้วยมันเป็นทั้งสิ์ด้วยมันเป็นครบสูตรแต่วันนี้เนี่ยไม่สนใจหรอกครับมันจะเป็นอะไรแต่เราเนี่ยก็เข้าใจจริงๆว่ามันกลายเป็นฟ้าเป็นเป็นฟ้าของสังขารไปแล้วเหมือนกับแต่ก่อนเรียนนี้ครับ มันมันมีดา่านต่างๆที่จะต้องไปไปเชิญไปไ ป, ไปเชิญไปไปเชิญจนรู้สึกว่าเออมันเหนื่อยกับการไปเชิญดา่านต่างๆแล้วก็ยากด้วยลําบากด้วยทรหดด้วยแต่วันนี้พอมาศึกษากับหลวงพ่อนนั้ครั้งหนึ่งหลวงพ่อกำลเขียนบอกว่าเขียนโคกลงจากภูเขามันมันง่ายซะแบบจนแบบมีความรู้สึกว่า ท, ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดนี้มันเป็นสังขารหมดปรุงไปหมดและเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ปลอมทั้งสิ้นก็เหมือนเคยคุยกับน้องน้องนิชาว่าเออ แม้นขนาดเรามารู้ว่าเราถูกรู้นี่ครับมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าแต่ก่อนเราก็ยึดติดความสุขเราก็ยึดติดว่าเออพยาพ ย, พยามผลักไสไหมพยายามผลักไสทุกเขาเรียกว่าเหมือนกับชอบสุขละละทุกขไม่อยากให้มีทุกผลักไสแต่ว่ากลายเป็นว่าที่ทําไปทั้งหมดมีเราเป็นผู้กระทําทั้งสิน้นแล้วก็แม้เราจะบอกว่าเรามีความสุขแล้วที่สุดแล้วมันก็เป็นเรานั้นแหละครับที่ ที่ยังไม่ยอมปล่อยวางจากความสุขนั้นคือทั้งสุขที่เป็นจอมปลอมนะครับเป็นมายาก็ก็เอามาเป็นของเราเรียก ว, ว่าพยายามฝักไสไล่ส่งความทุกข์ที่เป็นสิ่งไม่ดีหรืออะไรต่างๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะครับเราเห็นเลยว่าไอ้ความเป็นเราที่พยายามทาอะไรบางอย่างนั้นครับมันเป็นมันเป็นความหลงผิดพอเข้าใจอย่างนี้นะ้ครับมันก็มันก็เห็นเลยว่าภากของความเป็นเป็นั เราถูกรู้นี่ครับมันสําคัญมากเพราะจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยได้ยินนะครับเราถูกรู้นี้ได้ยินว่าจิตเห็นแล้วก็สิ่งที่ถูกจิตเห็นเท่านั้นหรอกแต่พอหลวงพ่อมาพูดว่าเออคําว่าเราถูกรู้เนี่ยมันทําให้ชีวิตนี่ครับมันมันเห็นใหม่มันไม่เคยเห็นแบบนี้เลยว่าไอเราถูกรู้นี่เห็นยังไงคือตอนที่หลวงพ่อชี้ใหนะ้ให้ดูอะไรต่างๆแล้วก็หลวงพ่อก็พูดว่ามันมีธรรมชาติหนึ่งที่มารู้เราตัวเรากลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ก็ฟังหลวงพ่อพูดคํานี้บ่อยๆแล้วก็ไตร่ตรองและพิจารณาตามไปนั้นมันเหมือนมันเหมือนเดินไปตามคําที่หลวงพ่อบอกเดินไปตามคําที่หลวงพ่อบอกบอกบอกแล้วขณะที่เดินเดินไปนั้นมันมามันมามันมามันมาแบบโอ้ไอซีแบบนั้นนะครับมันมันมาตะลึงกับสิ่งที่พอเราเข้าไปเป็นที่หลวงพ่อพูดหรือว่าไตร่ตรองไว้นั้นมันมันเอาตัวเราเข้าไปเรียนก็จริงนะครับแต่ว่าวันหนึ่งนั้นมันมาเห็นตัวเรานั้นกําลังเข้าไปเข้ากําลังเข้าไปเรียน มันก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็เลยก็เลยก็เลยเอกใจก็เลยหลุดเลยครับว่าอ๋อในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วนี่ครับมันจะเป็นเราไม่ได้อีกต่อไปนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็เลยก็เลยสิ่งที่เราเคยเคยเคยกังวลเคยสงสัยเคยสักสนนั้นมันทลายสิ้นเลยครับต้องต้องกราบอนุโมทนาและขอบคุณในความเมต แต่หลวงพ่อที่ที่พยายามพูดทาแล้วซ้ําอีกว่าไอตัวเราไม่มีเพราะตัวเรากลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปเสียแล้วการที่เห็นแบบนี้นั้นคือรู้เราคือมันจะต้องมีพวกพวกคำพูดแบบนี้ให้ให้พวกเราได้ยินได้ฟังอย่างอย่างต่อเนื่องประกอบกับการไม่ปล่อยเหมือนกันจริงๆว่าที่จะได้ยินได้ฟังแบบนี้จนวันนี้เนี่ยมันต้องนําคําของหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มาม า, ม า, มาบูชามาเผยแผ่มาเกื้อกูลเพื่อว่า เพื่อว่าประโยชน์สูงสุดก็คือเพื่อความเข้าใจว่าไม่มีเราครับกาขอบพระคุณหลวงพอ่อครับอืมนี่กายระรยะบุคคลเนาะเริ่มต้นจากตรงเห็นถูกอย่างนี้แหละ <c oughs> ว่ากายนี้ก็ไม่ใช่เราจิตนี้จิตก็คือพวกอาการปรุงแต่งทั้งหลายอ่ะนะมมันก็ไม่ใช่เรานี่มันเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าเริ่มต้นตรงนี้มันไม่ยากแล้วเพราะว่ามันมันจะถอยกลับไม่ได้แล้วเพราะความเห็นถูกเนี่ย มันเห็นถูกไปแล้วไงจะเห็นผิดว่าไอ้ตรงนั้นจะเป็นเราอีกไม่ได้อาการอย่างนั้นจะเป็นเราอีกไม่ได้นะมันก็แจ่มแจ้งนะขณะที่รู้ตัวเนี่ยมันแจ่มแจ้งหมดและ ว, ว่าโอ้ไอ้นั้นก็เป็นสิ่งถูกเห็นเป็นสิ่งที่ปรากฏปรากฏแล้วหมดไปหมดไปเนาะไม่ว่าทางอาการทางกายหรืออาการทางจิตใจเนี่ยมันมีแล้วหมดไปหมดเนี่ยเห็นถูกต้องเนี่ยถ้าเข้ากระแสตรงเนี้ยมันถึงในตําราท่านบอกว่าไม่สบายอีกแล้วใช่ไหมนิพพานอย่างเดียวอืม ทีนี้นิพพานอย่างเดียวก็คือเส้นทางที่เหลือก็คือเนี่ยก็คือตอนนี้เข้าใจถูกแล้วไม่ใช่เราแต่เรื่องของความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้มันต้องต้องต้องต่อยอดเข้าไปอีกเพราะแม้ถึงแม้ว่าเข้าใจว่ามันไม่ใช่เราเนาะแต่ก็ยังยึดได้อยู่นะอ่าเช่นเวลาร่างกายมันเจ็บมันปวดมันปว่วยรู้ว่าไม่ใช่เราอะ่ะแต่ว่าจิตมันยังรู้สึกว่ายังหวงแหนยังต้องดูแลอยู่ยังต้องอะไรมันอยู่เพราะว่ามันเป็นที่อาศัยของจิตเนาะเออมันก็หวงและหาทางแก้ปัญหาคิดนู่นเออ าหาวิธีนะเป็นความคิดาหาวิธีว่าจะทํายังไงให้หายป่วยอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นสังขารทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องไปพิจารณาอีกว่ามันก็เป็นสังขารเป็นสังขารสุดท้ายมันก็คือยึดอะไรไม่ได้เพราะเป็นสังขารเกิดดับเกิดดับหมดเนาะเพราะนั้นขั้นปล่อยวางเนี่ยมันก็คือเริ่มปล่อยตั้งแต่เนี่ยโสดาบันนี่แหละปล่อยจกกักรีทาก็ปล่อยปล่อยมากขึ้นอนาคาก็ปล่อยมากขึ้นสุดท้ายอรหันก็คือปล่อยปล่อยหมดความเข้าใจถูกต้องตั้งแต่โสดาบันใช่ไหม แต่ขั้นปล่อยเนี่ยปล่อยตั้งแต่โสดาบันสกิธาอนาคาอารหันอรหันก็คือไม่มีอะไรต้องปล่อยแล้วเพราะว่าไม่ยึดอะไรทั้งปวงแล้วในโลกนี้แม้แกต่ทั้งธรรม ะ, ะสแปะธรรมานารังอภินิเวสายาคือทำทั้งปวงนะบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็คือวางหมดเพราะฉะนั้นที่เราสนทนากนันนอกจากเข้าใจเรื่องสิ่งถูกเห็นแล้วเนาะว่าไม่ใช่เราแต่ต้องนะอีกมุมหนึ่งก็อย่าลืมก็คือว่าเห็นแล้วเห็นโทษเห็นภัยขึ้นมาว่าถ้ายึดก็เป็นทุกข์ ถ้าปล่อยก็พ้นทุกนะเห็นแล้วปล่อยเห็นแล้ววางก็คือพ้นทุก์พัฒนาต่อยอดไปนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอีกสักหน่อยหนึ่งนะก่อนที่จะออกจากห้องก็คือเล่าประสบการณ์นั่นแหละเพราะว่าประสบการณ์บางทีถ้าเราเอามาเล่าเนาะคนฟังก็จะเห็นภาพเห็นได้ง่ายนะแล้วก็สามารถที่จะเอาเหตุการณ์ที่เราเล่าเนี่ยน้อมเข้ามาใส่ตัวว่าเราเป็นอย่างเช่นในเหตุการณ์หรือเปล่านะก็คือมี ก็บ่อยๆหรอกบางทีเราคุยสนทนากับกับทั้งพระทั้งโยมอ่ะเนาะทีนี้พอเราเปิดให้เขาพูดได้สแสดงออกถึงความรู้เนี่ยเขาก็จะบรรยายนะก็มีท่านหนึ่งเป็นพระนี่เนาท่านก็พูดเรื่องจิตนะเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเนาะหลวงพ่อก็จริงๆก็คือไม่เคยได้อ่านอะไรมากหรอกแต่พอเราฟังเขาเนี่ยเราสามารถเข้าใจตามได้เลยว่าโอเสียบคมมากเลยคําพูดแต่ละคำเนาะ พูดเรื่องจิตว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจียติศิษ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเราเนี่ยลงใจเลยว่าที่เขาพูดอ่ะถูกต้องหมดเลยนะแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยหลวงพ่อก็ไปสะ ก, กิดเขานิดหนึ่งบอกว่าเออโอโ้โหหลวงพ่อเนาะเก่งมากเลยมีความรู้เรื่องจิตละเอียดละออได้อธิบายอย่างถูกต้องรู้จริงๆเลยนะแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจหลวงพ่ออาจจะไม่รู้ก็ได้ไปถึงหลวงพ่อคนอื่นนะนะอาจจะไม่รู้ก็ได้ก็สิ่งนั้นคือผู้รู้ หลวงพ่อคนที่อธิบายเรื่องจิตอ่ะเคยรู้จักผู้รู้ไหมพอที่อธิบายทั้งหมดเนี่ยมันมีผู้รู้อยู่ที่เป็นผู้อธิบายเรื่องจิตถ้าคือคนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยรู้จักผู้รู้หรอกเพราะว่ามันเป็นผู้รู้ไปแล้วเนาะอธิบายอย่างถูกทีนี้ที่หลวงพ่อถามแบบนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้ย้อนกลับมาว่ารู้จักผู้รู้ไหมผู้รู้เรื่องจิตเห็นนะแสดงว่าจิตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งถูกรู้และอธิบายได้ แล้วก็ผู้รู้เรื่องจิตก็คือมีความรู้อธิบายเรื่องจิตเนี่ยรู้จักไหมทีนี้แกก็งงๆหลวงพ่อก็ชี้ตรงเลยว่าผู้รู้ไม่ใช่ใครหรอกก็ตัวท่านเองนั่นแหละเป็นผู้รู้เคยรู้จักท่านเองไหมว่าผู้รู้เนี่ยผู้รู้ที่เป็นตัวท่านเนี่ยที่พูดได้อธิบายเรื่องจิตละเอียดละอเนี่ยอันเนี้ยอยู่ภายใต้กฎไม่เที่ยงนะมันเป็นสังขารนะมันก็เกิดมาต้องแก่เจ็บตายไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นที่อธิบายเรื่องจิตน่ยอธิบายถึงมีความรู้มากก็พ้น ทุกไม่ได้เพราะยังมีเราเป็นผู้รู้แล้วก็ไม่เห็นตัวเราว่าตัวเรามันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละก็เลยบอกกับท่านนั้นบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจะต้องรู้จักตัวเราพบตัวเราที่เป็นผู้รู้แล้วก็ให้เข้าใจด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้งว่าผู้รู้เนี่ยจริงๆก็คือสังขารปรุงแต่งที่มันพูดได้มันอธิบายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าโยมฟังเลยน้องเข้ามาใส่ตัวว่ามีไหมโอกาสใน ที่เราเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ที่แสดงออกถึงความรู้อธิบายข้อธรรมละเอียดละอ่อนะแต่ถ้าตราบใดไม่รู้จักตัวเราตกมาตายอย่างเดียวก็มีภบชาติเป็นที่เกิดเป็นที่ไปต่อเพราะว่าไม่เห็นสังขารที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าที่กำลังพูดกำลังคุยกำลังอธิบาย นะเพราะงั้นตรงนี้จึงสําคัญที่สุดสําคัญมากกว่าที่เราไปรู้เรื่องจิตเรื่องเจตสิกนะกลับมารู้ตัวเองรู้ตัวเราโดยเฉพาะในปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่าทั้งเป็นผู้ฟังอยู่ก็ดีผู้กําลังแสดงอยู่ก็ดีผู้ง่วงก็ดีผู้ลังเลสงสัยก็ดีเนี่ยผู้ผู้ทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ต้องรู้จักว่าแท้จริงมันก็คือสังขารเหมือนกันนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอ่านะก็ฝากไว้ก่อนที่หลวงพ่อจะออกไปกลางคืน พรว่าคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะคือเริ่มเริ่มเห็นเห็นว่าตอนเนี้ยอยากอธิบายมีตัวเราอยู่อย่างนี้เลยค่ะเห็นว่าอยากกดตรงนี้เพราะว่ามันมีตัวเราขึ้นมาเห็นเห็นให้เห็นว่าอ๋ออยากมาขับเพ้าเพื่อจะมาคือคือย้อนแปรดีดเลยว่าอ๋อ ท, ที่ที่เราอยากมาขับเพ้าตื่นเต้นมาเอย อ, อยากได้คุยกับกาแลย น, านาม่มิตรมีตัวเราทั้งสิ้นค่ะตอนนี้ที่คุยว่าอยากอธิบายตอนเนี้ยค่ะ อยากให้หลวงพ่อได้รู้ว่าเราเห็นตัวนี้ก็คือตัวเรากำลังมีอยู่อย่างเงี้ค่ะก็ก็ขอขอบคุณที่ที่ทำให้กระจะไม่ใช่ทำให้แจ้งว่ามันสำคัญที่ว่าเราเห็นตัวตอนที่เราอธิบายธรรมะมันมันเห็นยากเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็คือห้านาทีที่แล้วมันเห็นยากตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะจะเห็นว่า ที่เราอยากอธิบายนะอยากคุยอยากรู้อยากเห็นความจริงเริ่มขึ้นทมเพื่อเราทั้งนั้นเลยว่าเราจะได้รู้เยอะขึ้นเนี้ยค่ะ อ, อก็รู้สึกเหมือนก็ไม่รู้สึกอะไร่ะก็ก็คือแบบเออรู้สึกเห็นเห็นเห็นเนี่ยค่ะเห็นเห็ น, หนตรงนี้อย่างที่หลวงพ่อได้ได้ตัติเตือนมาว่าควรจะเห็นตรงนี้ก็เริ่มเลยค่ะเริ่มพัฒนา ค, คือคือความเพียรมันเคลียขึ้นอะคะ่ะหลังจาก ท, ที่คือฟังอะไรก็แบบไปตามนั้นเลยอะคะ่ะเหมือนว่าหลวงพ่อพูดเน้นตรงนี้นะอ้าวอันนี้ก็แบบทำละเห็นละเริ่มและะ้วค่ะมันจะเป็นกระบวนการขึ้นมาเองอะคะ่ะฉะนั้นการฟังว่ามันมันสําคัญมากในณะณจุดนี้อะคะ่ะว่าฟังฟังแต่ต้องฟังในสิ่งที่ถูกด้วยะคะ่ะผู้ผู้ที่รู้จริงพูดมาก็ไปเลยอะคะ่ะมันจะไปเรื่อยๆของมันเนี่ยคะ่ะแล้วก็ ก็เห็นอยู่ว่าเราเนี่ยไปเรื่อยๆก็มีตัวเราที่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทึ่งซึ่งคิดอยู่ตอนนั้นว่าอยากจะบอกว่าความชัดเจนระหว่างผู้รู้ตอนนั้นกับผู้รู้ตอนนี้คือผู้รู้ผู้รู้ตอนนี้ผู้รู้จริงค่ะมันรู้เสร็จมันไม่มีผู้ผู้ภาคต่อไม่มีผู้ปุงแต่งต่อเหมือนเหมือนอันเก่าที่ว่ารู้ปุ๊บต่อปั๊บเลยค่ะสมมุติว่าเห็นผู้หญิง อ่ะมันก็บน่นละอ่ะผู้หญิงคนที่เรารู้จักเนี่เอ๊ะเขาเขามาจากไหนนะเขาอะไรมันบ่นต่อไปแต่นี่คือรู้ปุ๊บจบเลยความชัดเจนเห็ น, เ ห, นเห็นตรงนั้นเจ้าค่ะก็ขอบพระคุณนะคะที่ที่เน้นวันนี้ได้ได้อีกเรื่องหนึ่งว่าก็การได้อีกเรื่องหนึ่งก็มีตัวตนอยู่ว่าได้มันได้อะไรงไงเพราะเราเราได้งไงค่ะก็เริ่มไวขึ้นเจ้าค่ะค่ะ แล้วสาธุนะโยมนะเพราะว่าทุกอย่างคือถ้าถูกเห็นเนี่ยมันใช้ได้หมดให้มันโผล่ขึ้นมาเอเป็นตัวตนเน่ยดีแล้วเนาะจะได้เห็นแต่ทีนี้บางคนบอกโอ้ถ้าพูดไปเดี๋ยวมันก็เป็นตัวตนทั้งนั้นเราไม่พูดดีกว่าเนี่ยไอ <c oughs> เราไม่พูดดีกว่าโยมพินาดูสิมันก็เป็นตัวตนเหมือนกันนะเนาะแต่ถ้ามองดีๆอ๋อไอที่พูดมันก็เป็นสังขารไอที่บอกว่าทั้งนั้นเราไม่พูดดีกว่าไอตัวนี้ก็เป็นสังขารเสมอกันคือพูดก็เป็นสังขารไม่พูดที่แบบ บอกว่าไม่พูดมันก็เป็นสังขารเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิชิญหน้ากับมันก็คือก็เป็นปกติพูดก็พูดไปแต่เห็นอยู่รู้อยู่เข้าใจอยู่ว่าโอ้ทุกอย่างสิ่งที่ปรากฏมันสิ่งถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราตรงนี้มันเป็นที่เป็นที่มันเป็นปัญญาที่มันมีมีมีก็เรียกว่ามีประจําจิตประจําใจไปแล้ว่เนาะเอเพราะงั้นจะพูดอะไรจะทําอะไรก็เป็นปกติเนาะใครจะบอกว่าเอายังมีอัตราตัวตนก็ก็พูดไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารู้อยู่เห็นอยู่ว่าเออสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันก็ เป็นสังขารทั้งนั้นแม้กระทั่งสิ่งที่เขาพูดก็เป็นสังขารสิ่งที่เราพูดก็เป็นสังขารแล้วความรู้สึกว่าเป็นเรามันก็เป็นสังขารเนาะมันไม่พ้นสังขารหรอกเพราะฉะนั้นรู้รอบรู้สังขารเนี่ยรอบรู้รู้รอบรอบรู้อยู่เนี้ยก็ไม่มีอะไรละเออก็แจ่มแจ้งแจ่มแจ้งอยู่ของโยมก็อนุมโมทนาจริงๆนะเพราะว่าพัฒนาได้เร็วมากแล้วก็สิ่งเนี้ยถ้าต่อไปเมื่อเมื่อมันแจ่มแจ้งแล้วก็สามารถพูดเนาะพูดเหมือนหลวงตานละลงศักด์อย่างเนี้ยก็สามารถช่วยคนได้เยอะเลย เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงไงว่าเคยปฏิบัติผิดเคยเข้าใจผิดอย่างนั้นอย่างนี้จะได้ชี้อบอกคนอื่นได้เนาะเพื่อคนอื่นจะได้ไม่เสียเวลาอย่างเนี้ยเออก็ช่วยคนได้เยอะจริงๆอ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อก็ขอออกจากห้องเท่านี้ก่อนเนะาะค่ะการานมัสการค่ะหลวงพ่อคะ่ะ